ในการปฏิบัติธรรมเนาะเราต้องต้องเรียนรู้ <c oughs> ว่าทางไหนคือทางทางที่ถูกทางไหนคือทางที่ผิดมันเป็นทางที่จะเรียกว่าทางที่เดินออกจากความทุกข์หรือว่าเป็นทางทีท่มันไม่สามารถเดินออกจากความทุกข์ได้จริงบางที ถ้าเราไม่รู้เราก็จะหลงไปเดินผิดพลาดนะหรือว่าทำให้เราติดนะอยู่กับทางที่ผิดอยู่นะมันเหมือนคล้ายๆทางที่เราเราจะเดินหรือทางที่เราขับรถนะบางทีมันก็มีทางทางที่ทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะไปคล้องแวะกับกับสิ่งเพลิดเพลินนะ ในสองข้างทางก็ดีหรือบางทีก็หลงเข้ารกเข้าพงไปเลยนะลงทางหาทางออกไม่ได้ก็มีซึ่งทางตรงนี้ก็เป็นทางที่จริงก็คือทางในการดําเนินชีวิตของเราเนี่แหละการดำเนินชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเดินทางอยู่เป็นประจําทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ว่าไดนะ้คือเรามีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะกีดพบกี่ชาติก็เหมือนกับเราเรากำลังเดินทางไปเรื่อยๆแต่เราจะเดินทางมุ่งสู่ความพ้นทุกข์หรือเราจะเดินทางที่ทําให้บนอยู่กับความทุกข์อยู่เหมือนกับสมมติถ้าเราคิดถึงแบบทางที่มันเป็นเหมือนวงกลมแบบนี้น เราจะเดินนานขนาดไหนกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็ได้แต่ถ้าเรายังเดินอยู่ในวงกลมนั้นอยู่นะมันก็ไม่สามารถหลุดจากวงกลมได้เพราะทางมันวนมันว น, น, นเนื่องด้วยอะไรมันมีมันมีกิเลสเกิดขึ้นเนาะมันมีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็ส่งผลทำให้เรากระทำกรรม นะทางคาพูดทางวาหรือว่าทางการกระทำนะเมื่อมันส่งเมื่อมันกระทำกรรมตามกิเลสะมันก็ย่อมมีวิบากของกรรมก็คือผลของกรรมตามมาเราก็ต้องมารับผลของกรรมมารับวิบากกรรมเนะมื่อรับแล้วก็ เ, เกิดเป็นความทุกข์บ้างเป็นความสุขบ้างก็ลนะ เมื่อเราติดใจในความทุกข์ในความสุขนั้นนะอารมณ์ที่ติดใจเนี่แหละก็เป็นเป็นเชื้อเป็นอาหารให้กับกิเลสให้มันให้มันงอกงามขึ้นก็เกิดกิเลสขึ้นมาใหม่หรือเกิดกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาอีกก็เป็นแดงผักให้เราทํากรรมใหม่อีกนะ่ะมันก็วนอยูนะ่เนี่ยเราก็ทํากรรม การกระทาต่อไปเราก็ได้รับ ว, วิบากกรรมใหม่ขึ้นมาอีกคือกิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากกรรมนี่แหละมันมันวนอยู่ตรงนี้นมันวนทำให้เราไม่สามารถออกจากวัตตะสงสารได้แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแม้ยังมีกิเลสอยู่ แม้มีวิบากของกรรมอยู่แต่สิ่งที่เราทำคือเราทำกรรมนะเราจะทำกรรมที่มันไม่ได้เนื่องได้ เ, เพราะว่ากิเลสมันเป็นตัวบงการนะหรือเป็นตัวที่ชักนำให้เรากระทำกรรมตามความความชอบความชังหรือว่าทำตามกิเลสของหรือว่าตัณหา แต่เราจะทำกรรมที่มันเรียกว่าทากรรมที่มันเป็นกรรมที่บริสุทธิ์จริงๆนะกรรมที่เรียกว่าอยู่เหนือกิเลสกรรมที่ไม่ได้เจือด้วยกรริเลสไม่ได้เจอือยด้วยความอยากนะถ้าเราทากรรมเช่นนี้นะมันจะทำให้วิบากของกรรมเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นการพ้นนะพ้นจากความทุกข์ได้ เมื่อเรามีวิปากของกรรมฐานนะคือการกระทาที่ไม่ได้เจือด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้มันก็เกิดผลคือการไม่ยึดติดหรือเกิดผลก็คือการปล่อยวางเมื่อเกิดผลในการไม่ยึดติดหรือการปล่อยวางแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้กิเลสหรือวาตัญหาเนี่ยมันเจือจางหรือว่า มันหมดไปหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้หมดไปแต่พอเราไม่ยึดติดไม่ถือมั่นมาแล้วมันก็มันก็ไม่มันก็ส่งผลมีอิทธิพลต่อเราได้น้อยคล้ายเหมือนกับมันจะมาหลอกมันจะมาชวนแต่เรารู้ทันเขาแล้วเราก็ก็แค่ไม่ทำตามเขาไม่สนใจเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราในทางที่ถูกต้อง นะทำกรรมที่เป็นกรรมขาวนะหรืออย่างที่เราจะเดินอธิยมักมีองแผ่นั่นแหละก็คือการทากรรมอย่างหนึ่งนะทำกรรมให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องนะทำกรรมในการที่คิดถูกทางคิดที่จะออกจากกรรมการฉันทะต่างๆนะคิดในการที่จะออกจากกรรม คิดในการที่จะไม่มุ่งร้ายคนอื่นหรือว่าปองร้ายสิ่งอื่นคำพูดก็เป็นการกระทาที่ถูกไม่ใช่กระทาที่ผิดาการเลี้ยงชีพการทำการงานหรือแม้แต่ความเพียรสติหรือว่าสมาธิมันก็ถูกเมื่อมันถูกทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราแต่ก่อนเราวนอยู่ในในวงกลมของนะกิเลส กรรมแล้วก็วิบากนะ่ยมันวนอยู่ตรงนี้พอเราพอเราเดินทางสายกลางนะทางสายกลางเนี่ยมันทำให้เราเดินดูดออกมาจากจากวงกลมของกิเลสกรรมวิบากนะก็คือวัตฏะของการมิ่นไหวตาเกิดนั่นแหละนะเราจะเดินบนออกเราจะเดินเลี่ยงออกมาเลี่ยงตรงไปนะในการที่จะออกจากความทุกข์อย่างแท้จริงได้ อันนี้คือการเดินทางที่ที่พวกเราต้องเดินทางแต่ในขณะที่เดินทางบางทีมันก็ ม, นกมันกิเลสมันก็คอยที่จะมายั่วะตันหาความอยากมันก็คอยที่จะมายวนใจนหรือว่าความเคยชินเก่าๆนิสัยเก่าๆมันก็คอยดึงก็คอยรั้งนะให้เราทําตามความเคยชินนะ ทำตามความพอใจในอดีตหรือบางทีทำไปมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนะทุกทางกายก็ดีหรือทุกเพราะต้องบีบคั้นทางใจก็ดีหรือทุกเพราะว่าคนอื่นไม่เข้าใจมองเราแตกต่างจากคนทั่วไปก็ดีก็ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจนะ่ะ เกิดความทุกข์ใจก็ดีให้พวกนี้มันจะเรียกว่ามันเป็นสมุนของพญามานก็ได้นะมันเป็นสมุนที่มาคอยดับมาคอยดึงมาคอยล้งนะไม่ให้เราออกจากจากเส้นทางของการเป็นทตาของวัตะตลอดไปแต่ถ้าเราเห็นว่าเออไอ้พวกนี้มัน มารเขก็ทําหน้าที่ของเขานะนากิเลสเขาก็ทําหน้าที่ของเขาทวนเราก็ทําหน้าที่ในการรู้แล้วก็เดินทางต่อจะมีอะไรเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกหน้าที่ของเราก็คือเดินทางต่อไม่ไปติดกับเขาบางทีความเกลียดคร้านเกิดขึ้นม า, นาความอยาก เห็นแก่กินเห็นแก่นอนเห็นแก่ได้เห็นะแก่เห็นแก่ความสนุกสนานเห็นแก่ความสะดวกสบายนะมันเกิดขึ้นมานะเราก็รู้ละอ๋อนี่ความเคยกินเก่าๆนะที่มันเจอด้วยความเจอเจอได้ตัญหานะเจอด้วยความอยากแก่สุขอยากแก่สบายเนี่ยมันมาดึงเราแล้ ว, ลวนะเราก็อ๋อนี่เราก็ ผ่านมันให้ได้นะอืมหนึ่เราก็เออมันมามันมาหลอกเราไม่เป็นไรเราไม่ลองเบรกกับมันนะถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดเกิดความสุขใจเกิดความปิติขึ้นมาเพราะอะไรคล้ายๆเหมือนกับเราเห็นเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความคิดตัวเองแล้วมันมันทาอะไรไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนตลกตลกนะมันรู้สึกเหมือนอมยิ้มนะ เห็นความคิดเห็นความหลงแล้วมันไม่ดลงตามนี่มันมันสนุกสนานมากมันสนุกสนานในการเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นนี่มันมันเกิดความสุขใจขึ้นมาภายในให้พวกนี้เป็นสิ่งที่เราเราสามารถทำได้เราเห็นความหลงแต่ไม่เป็นผู้หลงเราเห็นความคิดแต่ไม่เป็นผู้คิดเราเห็นความอยาก เราละความอยากได้อันนี้แหละคือทางนะพระเจ้าท่านสอนให้เรากลับมามาเรียนรู้ในการที่จะเดินให้ถูกทางนะทางอริยมรรคเนี่ยแหละคือทางที่เราต้องต้องเดินอยู่เสมอนะแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าอะไรคือความทุกข์กายแล้วก็ใจเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เป็นความทุกขนะ์ถ้าใช่จริง ในกายในใจเองก็เป็นบอกเกิดของความทุกข์ด้วยมันเป็นสองส่วนน ะ, ะกายใจเองก็เป็นตัวทุกข์ของมันโดยสภาวะแล้วก็กายแล้วก็ใจก็เป็นเป็นที่ให้กาเนิดของความทุกข์อย่างอื่นตามมาด้วย อ, อย่างเช่นกายกายนี้นะนะมันก็มีมีการเกิดขึ้น มีการเติบโตมีการเสื่อมแล้วก็มีการดับไปเนี่ยโดยตัวของมันเองมันเป็นทุกข์อยู่มันต้องหายใจเข้ามันต้องหายใจออกมันต้องกินมันต้องถายอมันต้องเซลล์ต่างๆมันก็มีการตายมีการเกิดทดแทนกันไปเรื่อยๆโดยตัวของมันเองมันไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมได้นะมันทุกข์อยู่ อยู่โดยสภาวะที่ตลอดเวลาต่อเนื่องเรื่อยๆแต่โดยแต่ถ้าเราใช้สายตาดูมันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะเพราะมันอาศัยเวลานะพอสมควรหรือ น, นการเปลี่ยนแปลงภายในนะอันนี้มันแสดงสภาวะที่มันทุกอยู่นะของมันอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีมันก็เป็นตัวที่เนื่องให้เกิดความทุกข์ มากขึ้นด้วยนะเช่นเวลาเวทนาจากความปวดความเมื่อย ม, มันเข้ามาอยู่ในกายเนี่ยมันก็ทําให้กายนี้มันทุกข์หนักมากขึ้นนะเวลามีคนอื่นมาทําร้ายกายนีนะ้มันก็ทําให้กายนี้มันทุกข์หนักมากขึ้นด้วยคือกายนี้มันเป็นทั้งตัวทุกข์ของมันเองแล้วก็เป็นตัวที่เนื่องทําให้เกิด นะความทุกข์หนักมากขึ้นด้วยนะจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันจิตใจมันก็เป็นตัวทุกขนะ์มันเป็นสภาวะที่มีทุกข์เข้ามาสิงสถิตยอยู่บ่อยๆนะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความโกรธทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความรักเพราะความชังนะความอิจฉาความพยาบาทพวกนี้มันทุกข์เพราะว่า มันทำให้ใจเสียความเป็นปกติไปโดยโดยเนื้อแท้เข้ามามันก็ใจก็เสียจากความเป็นปกติไปก็คือสภาวะที่มันมันเป็นทุกข์นั่นแหละหรือไม่ได้จริงแล้วโดยตัวจโดยตัวจิตตัวใ จ, วจเองก็ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้มันจะมีจิตที่เป็นปกติจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นอยู่ก็ดีแต่ในขั้งสุดท้าย คูบาาจารย์ท่านก็บอกว่าก็ต้องระจิตตัวที่รู้จิตที่สงบจิตที่มีปัญญานี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ในขั้นต้นเรายังไม่ต้องระขั้นต้นเราพยายามฝึกจิตหรือว่ากลับมาหาจิตที่ที่เป็นปกติเปลีนะ่ยนจิตที่หลงเปลี่ยนจิตที่ทุกข์นะกลายเป็นจิตที่เป็นปกติก่อนนะแต่เราก็ต้องฝึกให้มีปัญญาให้เห็นว่าแม้แต่ ไม่แต่จิตที่เป็นปกติเองเราก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกันนะอันนี้คือเรามาเรียนรู้ว่าความทุกขนะ์ก็คือกายหรือใจนี่แหละมันคือความทุกขนะ์เรามาเรียนรู้ดูสาเหตุของความทุกข์คืออะไรความอยากความไม่อยากนะไม่อยากคือแบบผักใสอยากก็คืออยากจะเอาอยากจะได้นะ อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรต่างๆนี่แหละมันคือเหตุที่ที่ทำให้เราวุ่นวายอยู่เสมอเนาะคนทั่วไปก็อาจจะมีความอยากบีบพันธ์นะให้ให้รวยนะให้สวยนะให้มีชื่อเสียงให้ได้รับการยอมรับนะหรือก็อยากให้ร่างกายนี้มันมันไม่แก่นะก็พยายามเสริมแต่ง พยายามอัดบำรุงต่างๆหรืออยากให้ร่างกายนี้นะมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พยายามนะนะโดบวิตามินพยายามอะไรต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่สามารถบังคับมันได้นะแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่ไมต้องดูแลมันนะเราก็ดูแลแต่เราดูแลด้วยความรู้เท่าทันว่า เออมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไม่สบายมันจะตายเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้หรอกเราก็ทำหน้าที่ในการดูแลกายนี้นะแต่ถ้ามันเกิดเป็นมะเด็งขึ้นมาถ้ามันเกิด เ, ออเป็นโรคต่างๆเข้ามามันก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจเพราะเราทำหน้าที่แล้วแต่ถ้าคนไม่มีปัญญายรู้เท่าทันมันก็จะทาไมละ่ะ เราก็ออกกาลังกายดีเราก็กินอาหารดีเรากา็ดูแลสุขภาพดีแต่ทำไมเราถึงเป็นมะเร็งด้วยเป็นโรคร้ายด้วยถ้าเราไปตีอกชกหัวพระมแต่โทษว่าทำไมทาไมเนี่ยก็คือการที่เรามีความไม่อยากาไม่อยากที่จะเป็นไม่อยากที่จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงจะเห็นจิตเลยว่า อ๋อความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากเพราะเราไม่ชอบใจนี่เองเราระที่ตรงไหนละที่ความ่ความไม่ชอบใจนี่แหละนะมันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์นะทำให้มันเกิดความไม่ทุกข์หรือบางคนทุกข์ทำงานไปก็ก็หวังชื่อเสียงหวังหวังผลตอบแทนหรือว่าหวังให้เกิดการยอมรับนะ ก็ทำไปถ้าไม่มีใครยอมรับก็เกิดความทุกข์ใจนะถ้าไม่ได้มาในสิ่งที่สมหวังก็เกิดความทุกข์ใจเพราะว่าทำไปได้วยตัณหาแต่ถ้าเราทำไปได้วยหน้าทีนะ่ทำไปเพราะาเห็นว่าเป็นประโยชน์ทำไปเพราะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเนะี่ยมันจะทำไปแล้วทาแบบไม่คาดหวังนะแต่มันก็มีผลของมันนั้นนะแต่เราทำด้วยความไม่คาดหวังทาเป็นตามหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว หนาที่ทำจิตก็สบายนะทำเสร็จแล้วจิตก็สบายเพราะว่าอะไรมันไม่มีความนะไม่มีความอยากก็ไปเจือคนคนจะชมคนจะไม่ชมงานอาจจะสำเร็จหรืองานอาจจะล้มเหลวอันนั้นก็เป็นเรื่องของงานอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะแต่สิ่งที่เราได้ทำหน้าที่กับตัวเองดีที่สุดแล้วก็คือทำโดยการที่ไม่เจือได้ได้ตันหาไม่เจืได้ราคะ อันเนี้ยเราละที่ความอยากละที่ความไม่อยากเลยหมายถึงว่าความพอใจความไม่พอใจนะความอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเอาหรือว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาสิ่งที่มันดีเราก็อยากจะได้สิ่งที่มันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะได้เราละที่ตรงนั้นเราก็้าแค่ทำหน้าที่ทางโลกนะให้มันถูกต้อง นะแต่เราก็มีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ทางธรรมทางใจด้วยก็คือการวางใจนะที่ไม่ติดไม่คล้อมด้วยความอยากนะตัณหาต่างๆนี่แหละเราละตรงนี้ละตัณหานะถ้าเราฝนะึกในการเดินทางที่จะออกจากความทุกข์เราต้องละที่ตัณหาในใจของเราเองนี่แหละนะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นเลยนะ แต่มันเกิดเพราะความความอยากตัณหาของเราเนี่แหละที่เป็นเหตุของความทุกข์พระอาจารยสอนให้เราทํากิจให้ถูกก็คือนะตัณหาคือสิ่งที่ต้องละนะต้องละนะหรือต้องตัดต้องประหารก็ได้นะเราต้องละต้องตัดที่เตัวตัณหาในใจของเราเนี่แหละนะถึงจะเตือนถูกทางนะมักเกิดสิ่งที่นะ ต้องสัมผัสให้มันแนบแน่นนะนิโรดเ อ, อิรมักคือสิ่งที่ต้องเจริญให้มันมากนะีน่โรดคือสิ่งที่ต้องประจักษ์ให้มันแจ้งขึ้นมานะเรามาเจริญมักให้มันให้มันมากๆนะทำให้มันบ่อยนี่แหละคือการภาวนานะทำให้มากเจริญให้มากนะฝึกฝนให้มากก็คือการทำเหตุนะ มักคือการทำเหตุที่ถูกให้มากที่สุดเราพยายามเดินตอเนี้เรามีสตินะเพื่อให้สติเรียนรู้กายใจที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงความรู้สึกตัวจะทำให้เราเหนือหรือพ้นจากกิเลสตัณหาเห็นความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันเป็นเพียงแค่ความทุกข์ของกาย ความสุขของกายมันะมเป็นเพียงแค่ความทุกข์ของใจความสุขของใจนะไม่มีเราเข้าไปเกอ่ยวบนตรงนั้นนะมันจะเกิดปัญญาในการเห็นว่ากายหรือว่าใจหรือแม้แต่กิเลสแนะม้แต่กุศลมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันะมเป็นเพียงแค่สภาวะนะสภาวะของรูปสภาวะของนามสภาวะของกิเลส สมาสภาวะของสินสภาวะของสมาธสมาิสภาวะของปัญญามันเป็นเพียงแค่สภาวะเป็นเพียงแค่ปรากฏการมันเป็นเพียงแค่อาการนะที่มันที่มันแสดงที่มันปรากฏเฉยเราสติเนี่ยจะทำให้เราดูหรือว่ารู้หรือว่าเห็นในทํานองนี้นะสิ่งสำคัญมากเนี่ยเราพยายามฝึกสติเพื่อตรงนี้แหละ เพให้มันเกิดปัญญาเข้าใจความจริงตัวนี้แหละนะก็อย่ า, อ ย, า, าอย่าท้ออย่าทอยนะนะในการที่จะทำความเพียรไปเรื่อยๆนะแต่เราก็ต้องทำความเพียรแบบไหนให้มันให้มันพอดีนะไม่ใช่บางคนเพียรจนกรทั่งมันตึงเกินไปนะมันก็จะกลายเป็นความเพียรนะในการปฏิบัตินะหลายคนปฏิบัติบางทีเอาจริงเอาจัง เครียดนะเพียนเสียสติก็ก็มีบ้างหรือบางคนเพียนแบบไปทุกข์มากเลยก็มีทําไปแล้วก็คิดหวังแต่ผลว่าเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรเราจะาปิดอบายเมื่อไรเราจะพ้นจากความทุกข์กลัวจะตายก่อนกลัวจะเสียชาติเกิดนะกลัวว่าจะไม่ได้อะไร ติดไม้ติดมือก่อนตายไปทำไปด้วยความกลัวทำไปด้วยความอยากทำไปด้วยความเครียดเนี่ยยิ่งทำกับยิ่งทุกข์เนยียิ่งทากับยิ่งทุกข์เีบางทีก็สู้คนที่เขาใช้ชีวิตธรรมดาก็ยังดีกว่าเขาก็ยังไม่เครียดขนาดนั้นเขาก็ยังมองโลกสดใสเขาก็ยังยมีจิตใจเบิกบานกับสิ่งรอบข้าง แต่บางทีก็อาจจะทุกข์บ้างนะแต่บางทีนัปฏิบัติธรรมถ้าเคร่งเคียเกินไปเนี่ยมันมันจะคล้ายๆเหมือนตีกรอบตัวเองนะโรคทั้งใบเนี่ยมีแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวมีแต่เรื่องว่าเมื่อใดคกูจะบรรลุธรรมเมื่อใดครูจะเห็นแจ้งไม่สนใจสิ่งอื่ น, นเอาแต่เอาแต่จุดหมายตัวเองเป็นหลักเอา แล้วก็บีบคั้นตัวเองเกินไปนะโรคมันก็เลยกลายเป็นสิ่งอื่นที่มันมาบรบกวนะการปฏิบัติเนี่ยถือว่ามันแย่มันไม่ดนะีบางคนก็มองการงานเป็นภาระนะเป็นอุปสรรคของการเจริญสตนะิเห็นว่าถ้าทำการงานต้งเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วมันทำให้จิตไม่สงบทำให้ตงสติได้ง่าย ก็ผ่านที่จะไม่อยากทำงานไม่อยากเจอผู้คนนะอยากจะเก็บตัวนะอยากจะเก็บอารมณ์เป็นปีแบบนั้นก็มีบางคนก็คิดเช่นนั้นนะอันนี้ก็คือทำด้วยความเครียดนะเราต้องแยกแยกให้ถู ก, กว่าก า, ารทำความเพียรนะอย่างต่อเนื่องนะแต่ไม่ใช่ทําด้วยความเคร่งเครียดนะทำด้วยความอยากนะ แล้วเราก็ต้องพิจารณาอีกว่าการทำให้สบายๆนะกับการทำแบบตามใจอยากนะมันต่างกันอย่างไรนะจิตที่มันสบายในขณะที่ปฏิบัติธรรมกับความเพลินในอารมณ์เนะี่ยมันต่างกันอยู่นะจิตที่สบายในการภาวนาเนี่ยมันจะรู้อารมณ์นะรู้ นะรู้ด้วยความผ่อนคลายรู้ด้วยความตั้งมั่นรู้แล้วก็วางนะแต่บางทีการที่เราเพลินอารมณนะ์เพลินกับอารมณ์เนี่ยมันทําให้เรานะมาจะรู้สึกสบายนะแต่สบายแบบปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะสบายแบบมีรู้เนื้อรู้ตัวนะมันก็ไม่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์เราต้องแยกให้ถูกกับบางทําด้วยความสบาย ทำด้วยความผนะ่อนคลายทำด้วยความไมนะ่เคร่งเครียดกับนะกับการหลงไปกับอารมณ์นะหรือเพลินกับความสุขเพลินกับความสบายเนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะนะมันต่างกันที่ตัวไหนต่างกันตรงที่มันมีตัวรูนะ้กับการที่มันเข้าไปอยู่นะนะเข้าไปอยู่กับความสุขกับความสบายหรือกับความคิด หรือการที่เรารู้ว่าตอนนี้สุขตอนนี้สบายตอนนี้มันคิดเนะี่ยมันมันจะมีตัวนี้ที่ที่จะเป็นตัวแยกแยะให้ชัดหรือการทำความเพียรนะกับการเคร่งเครียดเคร่งคัดนะในการปฏิบัติเกินไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะเราต้องแยกให้ได้อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นทางสุดโตง่งทั้งสองด้านนะการมัสขขาือการุโยคนะ หรือว่าอัฏถกิริณทานนโยกนี่คือทางสุดโต่งเราต้องแยกให้ได้ว่าบางทีอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมอัถฐอัฏฐกิริณทานนโยกก็คือการทําตนให้ลําบากกับการแต่บางทีมันาอาจจะต่างจากการเช่นการมีทุดงค์าวัดหรือข้อปฏบบิบัติบางอย่างเพื่อเป็นการขัดเกลว์นี่บางก็จะแตกต่างกันน ะ, นะ บางทีอย่างที่พระอาจารย์ตุ้มพูดเมาาื่อวานบางทีเรามีกติกากับตัวเองดูบ้างนะว่าจะทำว่าจะไม่ทําอะไรบ้างหรืออยากจะทําอะไรให้มันแบบนะต่อเนื่องบ้างอันนี้มันเป็นการมีไว้เพื่อขัดเกาว่านะนะอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเราก็ตั้งใจว่าจะไม่นอนกลางวันเนะี่ยมันก็เพื่อเพื่อเป็นการขัดเก่าจะง่วงขนาดไหนก็มีกติกานี้ที่จะไม่นอนใช่ไหมนะ หรือว่าคนขัดเกลากิเลสด้วยการเช่นจะกินอาหารมื้อเดียวเนะี่ยก็เพื่อขัดเก่าไนะแม้จะอยากขนาดไหนก็ก็ดูความอยากเกิดขึ้นดูความทุกข์เกิดขึ้นนะหรือบางคนหรือบางคนบางช่วงอย่างบางสายก็อลองขัดเก่าดูซินะลองไม่นอนทั้ ง, งคืนดูซินะเพื่อดูกายดูใจตัวเองนะอันนี้ถ้าถ้าลองเพื่อเรียนรู้ดูว่า ทำแบบนี้แล้วมันมีอาการแบบไหนเกิดขึ้นนะี่อันนี้เป็นการเรียกว่ามันเป็นเหมือนเป็นทุดด่นดะงเป็นการขัดเกา่านะแต่บางคนถ้าทําแบบอัอธกิรลมทานนโย ก, ก็คือเชื่อหรือว่าปักใจว่าถ้าทําเช่นนี้แล้วจนะ ต, ต้องเกิดผลเช่นนี้แน่นอนคือทําด้วยความหวังผลไม่ได้ทําด้วยการเรียนรู้นะนะ่ ทำสมมติว่าอดอาหารเพื่อที่ให้กิเลสมันหมดไปนะบําเพ็ญสินเค่งครับถือตุ้รงขวัดนะอย่างเข้มข้นเพื่ออะไรเพื่อหวังว่าทำเช่นนี้แล้วมันจะเกิดมากเกิดผลนะอันนี้พระจาท่านเรียกว่าสินพัตตปรามา ก, นะการถือเอาสินการถือเอาข้อวัดการถือเอาวิธีปฏิบัตินะ แล้วก็มุ่งหวังว่าจะเกิดมากเกิดผลนะคือการไปถือถือแบบไม่รู้จุดหมายว่าที่จริงการที่ถือปัจจุบันนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้นะไม่ใช่ถือนะแล้วก็เชื่อว่ามันจะทำให้เกิดความพ้นความทุกข์แต่ถ้าเราทำในฐานะเพื่อเป็นการเรียนรู้นะไม่ได้ทำด้วยความอยากเนี่ยมันจะต่างกันบ า, บางคนเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละอย่างเช่นบางที บางครั้งเราอดนอนบ้างหรือบางทีเราไม่พูดจาบ้างหรือบางทีเราทําความเพียรเต็มที่บ้างนะบางทีก็เข่งเข่งงวดกวดขันตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าเราทำได้ท่าทีของการเรียนรู้อันนี้มันเป็นทางสายกลางแต่ถ้าเราทำได้ท่าทีของความอยากเนี่ยหรือทําด้วยความไม่รู้เนี่ย มันเป็นท่าทีของความหลงปนะิดทางไปนะเราต้องเราต้องดูตรงนี้แม้แตนะ่ความสุขความสบายความเพลินก็เหมือนกันนะถ้ามันเป็นเรื่องที่จิตมันไปนติดกับอารมณนะ์ติดกับความสมาธิติดกับความสุขเนี่ยก็จิตมันก็ไม่ได้เดินทางต่อละมันติดมันแช่นะ แต่ถ้าจิตมันก็แค่เห็นอารมณ์ที่จริงแม้แต่ถ้าคนมีปัญญาจริงๆนะแม้แต่การทำสมาธิถ้าคนมีปัญญาจริงเห็นสมาธิมันเปลี่ยนในแต่ละขณะเช่นปฐมฌานเกิดขึ้นมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขเกิดขึ้นพุทธิฌานเกิดขึ้นมา วิตกดับไปวิจารณ์ดับไปนะมีแต่ปิติเมตตสุเกิดขึ้นในองค์สภาวะธรรมเองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันแล้วก็สามารถดูดูการเกิดดับดูการเปลี่ยนแปลงในองค์สภาวะธรรมในแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่มันมันเปลี่ยนไปก็ได้เรียกว่าดูไตรักในในสมาธิก็ได้นะอันนี้ถ้าเราทํา เดินแบบสมาธิก็สามารถทําแบบนั้นได้นะแต่มันค่อนข้างละเอียดนะแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าที่สมาธิเรากด็ดูเดินปัญญาด้วยการเห็นใจรักของรูปของนามที่มันแสดงตัวนี้แหละนะนะเห็นความคิดเกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาใหม่ก็รู้ใหม่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไป แล้วก็อาจจะเกิดอารมณ์ใหม่รู้ทันอารมณ์ดวงที่ปัจจุบันนะอารมณ์ที่ดับไปแล้วเห็นไม่ทันรู้ไม่ไม่เห็นตอนเกิดไม่เห็นตอนตั้งอยู่รู้แต่ว่ามันดับไปแล้วก็ช่างของมันรู้อารมณ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเลยนะรู้ตรงเฉพาะหน้านะอย่าไปคอยหาเหตุหาผลกับกับสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วนะแค่รู้เฉพาะหน้าตอนนี้ว่าสมมติเรามีความไม่ชอบใจเกิดขึ้น มีความสงสัยเกิดขึ้นนะมีความมีความชอบใจเกิดขึ้นเนี่ยเราเรารู้เฉพาะหน้าในตอนนั้นเลยว่าอารมณ์ตอนนั้นเฉพาะหน้าของเราเนี่ยจิตใจเป็นอารมณ์ไหนรู้ลงที่ตรงนั้นเลยเพราะว่าอารมณ์อดีตนี้ไม่ต้องไปหาเหตุับผลดอกนะมันมันเหตุผลเนี่ยมันคือคือความสงสัยละคือความวิจิกิจฉาที่เราพยายามที่จนะ อยากจะหาคาอธิบายอยากจะเข้าใจอะไรต่างๆหรืออารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาเราเกิดความขุนใจเกิดความไม่ชอบใจเรารู้ลงมาเลยว่าเรามีความไม่ชอบใจมีความขุนใจเกิดขึ้นนะหรืออารมณ์ดีเกิดขึ้นมาเรามีความติดใจมีความอยากจะได้หรืออยากจะประคองมันไว้อันนี้ให้เรารู้รู้ลงที่ตรงนี้แล้วก็ละมันที่ตรงนั้นนะรู้ลงที่ปัจจุบันทันทีนะ อย่าไปโอเอหาเหตุหาผลกับอดีตนะอย่าไปพยายามหาความถูกความผิดอันนี้มันคิดดีอันนี้มันคิดชอบอันนี้มันคิดไม่ดีอันนี้คิดไม่ชอบแค่รู้แต่ว่ามันคิดของมันเองอมันผุดของมันเองนะมันดีของมันเองมันไม่ดีของมันเองอมันไม่ใช่เรามันเป็นของมันเองนะเราไม่ได้อยากจะ ไม่ได้บังคับให้มันคิดมันคิดของมันเองนะมันเป็นเรื่องของมันเองเราก็เห็น่ะอ้อพวกอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆนี่มันมาของมันเองเนาะแล้วมันก็ไปของมันเองนะเดี๋ยวไปเอาอะไรกับมันเลยก็แค่ดูมันเฉยๆดูแล้วก็ผ่านแค่ดูสิ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปภายในใจนี่แหละนี่คือการดูนะเราคอยมีสติในการดูตอเนี้ ตลอดตลอดเวลานะระลึกใด้เมื่อไหร่ก็ดูมื่นั้นใหม่ใหม่มันก็ดูไม่ได้ตลอดหรอกมันก็หลงไปบ้างนะก็รู้ทันตอนไหนที่มันหลงนั่นแหละนะพยายามสร้างตัวรู้บ่อยการเคลื่อนไหวจยช่วยให้เรากลับมามีสติได้ได้บ่อยขึ้นมีสติรู้ว่ากายเคลื่อนไหวกายทําอะไรนะมีสติรู้ในปัจจุบันทันทีรู้ในขนาดนี้ว่า ว่ากายอยู่ในรูปไหนเห็นกายนะแบบรู้ตัวทั่วพร้อมนะนะไม่ใช่รู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่แน่นอนบางทีอาจจะมีความเด่นที่บางส่วนนะแต่การรู้สึกตัวจริงๆต้องเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยบางทีมันไม่ใช่รู้แต่แต่กายนะมันรู้อย่างอื่นทั่วพร้อมด้วยบางคน ปฏิบัติทำหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่จิตมันจมกับสิ่งแต่ทำเสียงเกิดขึ้นมานะนเะก็ไม่ได้ยินนะหรือไม่รู้ว่าอันนี้คือการที่จะทําอะไรนะเรามีสมาธิกับสิ่งที่ทําจนดืมดูเวลาว่าเอา้าตอนนี้เป็นเวลาที่สมมุติต้องมาฉันแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาทีนะ่เรานัดกับคนอื่นแล้วเนาะนะ แต่เราก็จมกับความคิดจมกับนะสิ่งที่เราทำในตรงนั้นอยู่จนลืมเวลานะจนไม่ได้ยินเสียงอื่นภายนอกจนไม่รู้ว่านะกาละเทศะตอนนี้ควรที่จะทาอะไรอันนี้ก็เป็นการยังไม่รู้ตัวทั่วพร้อมนะธนะรรมะที่มาจะมากเกินไปทาให้เราเราจดจ้องหรือว่าเราเราตั้งมั่นอยู่กับการงานเฉพาะหน้ามากเกินไปแต่มัน สติมันอ่อนนะทำให้ความรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ปรากฏทำให้เราไม่ได้อายตนะอย่างอื่นไ ม, ไม่เปิดนะนะไม่เปิดการการรับรู้หรือว่าปัญญามันไม่เดินในการที่จะรู้ว่ากาลเทศะตัวนี้ควรที่จะทำอะไรนะคนอื่นรออยู่หรือเปล่านะมีงานที่ต้องทำตั้งหน้าหรือเปล่าเนะี้ยมันทำให้เรา มันไม่มันไม่คล่องตัวเอ่าบางทีนัปฏิบัติทำบาทีก็บางทีก็เป็นเช่นนี้นะทำแล้วก็จดจ่อแล้วก็ไม่สนใจโลกภายนอกนะสนใจแต่สภาวะของตัวเองมากเกินไปก็ก็ไม่ถูกเหมือนกันเราก็ต้องรู้รู้ตรงนี้นะมาถึงจะเป็นการเดินที่ถูกทางจริงๆเนาะนีะน่ยก็ก็ฝากนะฝากไว้นะใ น, ะนะชาววันนี้